คุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษ์ตามลำดับข้อที่2ทุกขตาในหลักทุกขตามีเกณฑ์สำคัญสำหรับกาหนดคุณค่าทางจริยธรรมอยู่สองอย่างคือประการแรกในเมื่อสิ่งทั้งหลายเกิดจากการประชุมกันเข้าขององค์ประกอบต่างๆที่เป็นส่วนย่อยๆลงไปและองค์ประกอบเหล่านั้นแต่ละอย่างล้วนไม่เที่ยง กำลังตกอยู่ในอาการเกิดขึ้นแปลไปและสลายตัวตามหลักอนิจจตาอยู่ด้วยกันทั้งสิน้นสิ่งที่เป็นหน่วยรวมนั้นจึงเท่ากับเป็นที่รวมของความปรวนแรและความขัดแย้งต่างๆและแฝงเอาภาวะที่พร้อมจะแตกแยกและเสื่อมสลายเข้าไว้ในตัวด้วยอย่างเต็มที่เมื่อเป็นเช่นนี้การที่จะควบคุมองค์ประกอบต่างๆที่กาลังเปลี่ยนแปลงอยู่นั้น ให้คุมรูปเป็นหน่วยรวมตามรูปแบบที่ประสงค์ก็ดีการที่จะควบคุมการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ดำเนินไปในทิศทางที่ต้องการก็ดีจะต้องใช้พลังงานและวิธีการจัดระเบียบเข้ามาร่วมเป็นองค์ประกอบช่วยเป็นเหตุปัจจัยเพิ่มขึ้นอีกด้วยยิ่งองค์ประกอบส่วนย่อยๆอต่างๆนั้นมีมากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นเท่าใดก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้น และมีการจัดระเบียบที่ละเอียดรัดกลมยิ่งขึ้นเท่านั้นการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายเพื่อให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องทําที่ตัวเหตุปัจจัยของมันแล้วรู้ชัดถึงความสําเร็จผลหรือความผิดพลาดพร้อมทั้งทางแก้ไขต่อไปตามความพร้อมของเหตุปัจจัยเหล่านั้นนี้คือวิธีปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างอิสระ ไม่ผูกมัดตัวและไม่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ส่วนวิธีที่ตรงข้ามจากนี้ก็คือการกระทำตา ม, ตามความยึดอยากด้วยตัณหาอุปาทานโดยเอาตัวเข้าไปผูกมัดให้สิ่งเหล่านั้นบีบคั้นซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความทุกข์แก่ตนเองแล้วก็ไม่ช่วยให้เกิดผลดีอย่างใดอย่างใดขึ้นมา หลักทุกขตาเกณฑ์สำคัญสำหรับกำหนดคุณค่าทางจริยธรรมประการที่สองตามหลักกิจในอริยสัจน้าทีที่จะต้องปฏิบัติต่อทุกข์ได้แก่ปริญญาคือการกำหนดรู้หรือทำความเข้าใจหมายความว่าเรื่องทุกนี้ บุคคลมีหน้าที่เกี่ยวข้องเพียงแค่กำหนดรู้หรือทำความเข้าใจเท่านั้นการปฏิบัติต่อทุก์โดยถูกต้องตามหลักกิจในอริยศาส์นี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแต่เป็นเรื่องที่มักถูกมองข้ามไปพุทธธรรมสอนให้ปฏิบัติต่อทุกด้วยการศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้รู้จักทุกคือให้รู้จักปัญหาของตนเอง ไม่ใช่เพื่อเป็นทุกข์แต่เพื่อปฏิบัติต่อมันได้ถูกต้องและจะได้ไม่มีทุกข์หรือพูดอย่างง่ายๆว่าเพื่อจะได้มีความสุขที่แท้จริงนั่นเองพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือหลักกิจในอริยศัสตร์สอนว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นปัญหาแก่ตนมนุษย์จะต้องศึกษาสิ่งนั้นให้รู้ให้เข้าใจอย่างชัดเจนที่สุด ก่อนที่จะลงมือจัดการแก้ไขปัญหานั้นการศึกษาปัญหามิได้หมายความว่าเป็นการสร้างปัญหาหรือหาปัญหามาใส่ตนแต่เป็นวิธีการที่จะทำให้ปัญหาหมดไปต่างหากผู้ที่ไม่ทราบหลักกิจในอริยศัสตร์อาจปฏิบัติต่อทุกขอย่างผิดพลาดไรจุดหมายเขวิออกไปนอกทาง และอาจกลายเป็นการเพิ่มทุกข์แก่ตนด้วยการมองโลกในแง่ร้ายไปก็ได้เมื่อทราบหลักเกณฑ์ใหญ่ๆสองข้อนี้แล้วจึงควรกำหนดคุณค่าต่างๆในทางจริยธรรมของหลักทุกขตาดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งการที่สิ่งทั้งหลายถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นการเจริญและการสลายตัว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 ของหลักทุกตาข้อที่สามความสุขและสิ่งที่ให้ความสุขอย่างที่เข้าใจกันในโลกก็ตกอยู่ในหลักความจริงข้อนี้ด้วยความสุขเหล่านี้ย่อมมีความไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวในแง่ที่ว่าจะต้องแปรปรวนไปจากสภาพที่เป็นความสุขหรือจากสภาพที่จะหาความสุขนั้นได้อย่างหนึ่งและดังนั้น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 จึงต้องมีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันความจริงสแสวงหาและสวยความสุขยังมีสติสัมปชัญญะโดยประการที่ว่าความแปรปรวนของมันจะก่อให้เกิดโทษพิษภัยหรือเกิดความกระทบกระเทือนน้อยที่สุดพูดอีกอย่างหนึ่งว่าถึงจะเป็นอย่างไรก็ให้รักษาอิสรภาพของจิตใจไว้ให้ดีที่สุด คุณค่าทางจริยธรรมของลักทุกตาข้อที่สี่ความสุขแยกโดยคุณค่ามีสองประเภทคือความสุขในการได้สนองความอยากความต้องการต่างๆอย่างหนึ่งและความสุขในภาวะจิตที่เป็นอิสระปลอดโปร่งพองไสไม่มีความอยากความต้องการที่จะต้องสนองอย่างหนึ่งความสุขประเภทแรก คือสุขในการได้สนองความอยากความต้องการนั้นยังแยกย่อยเป็นสองจำพวกคือสุขในการได้สนองความอยากความต้องการที่เป็นอกุศลคือทันหากับสุขในการได้สนองความอยากความต้องการที่เป็นกุศลคือฉันทะจําพวกแรกเป็นการสนองความต้องการทางประสาททั้ง5้าของตนโดยมุ่งมาจากของจากคนอื่นมาให้แก่ตัว ดังที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวส่วนจำพวกหลังเป็นการสนองความต้องการความปรารถนาเพื่อความดีความงามความสมบูรณ์ของสรรพสัตว์สรรพสิ่งอันเป็นเหตุให้คิดจะทำให้แก่เขาทำเพื่อให้เขาหรือเพื่อให้ของเหล่านั้นดีงามมีความสุขความสมบูรณ์ความต้องการจำพวกที่สองคือฉันทะนี้ เป็นคุณสมบัติสำคัญในการสร้างสรรค์ความดีงามและพัฒนาชีวิตพัฒนาคนให้เกิดความสุขที่ลึกซึ้งสูงขึ้นไปและเป็นตัวเชื่อมโยงที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความสุขประเภทที่สองแต่เป็นสภาวะที่ไม่ปรากฏเด่นชัดสำหรับคนทั่วไปเหมือนซ้อนหรือซ่อนอยู่ข้างหลังของจำพวกแรก เป็นขั้นตอนของการพัฒนาและความก้าวหน้าไปในระหว่างจึงแยกออกไปพูดต่างหากในที่นี้จะพูดถึงความสุขประเภทที่หนึ่งเฉพาะจำพวกแรกซึ่งปรากฏเด่นชัดอยู่ในโลกที่มนุษย์ปุถุชนคนทั่วไปสแสวงติดข้องหมกมุ่นครุ่นคิดรานรนทยานหาพากันวุ่นวายอยู่ ซึ่งเหมือนตรงข้ามกับความสุขประเภทที่สองอันโปร่งโลง่งสงบปราศจากสิ่งข้องขัดกีดกัน้นจํากัดความนึกคิดเช่นความวิตกกังวลความรู้สึกคับแคบและกิเลส ต, ต่างๆที่ผัวพันผูกรัดกดดันจิตใจความสุขประเภทแรกจําพวกที่อาศัยการสนองความต้องการทางภาษะนั้น เป็นแบบที่ขึ้นต่อปัจจัยภายนอกคือวัตถุและอารมณ์สำหรับสนองความต้องการต่างๆลักษณะาอาการของจิตในสภาพที่เกี่ยวข้องกับความสุขประเภทนี้คือการแสหาดิ้นรนกระวนกระวายเป็นอาการนำหน้าอย่างหนึ่งและความรู้สึกที่ยึดติดคับแคบหวงแหนผูกพันเฉพาะตัวอย่างหนึ่ง อาการเหล่านี้มีความสำคัญมากในทางจริยธรรมเพราะเป็นอาการของความยึดอยากหรือความเห็นแก่ตัวและในเมื่อไม่จัด ก, การควบคุมให้ดีย่อมเป็นที่มาแห่งปัญหาต่างๆการที่ต้องอาศัยอารมณ์อย่างอื่นต้องขึ้นต่อปัจจัยภายนอกเช่นนี้ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่ความสุขประเภทนี้จะต้องทำให้ตัวบุคคลตกเป็นทาสของปัจจัยภายนอก ในรูปใดรูปหนึ่งไม่มากก็น้อยและความแปรปรวนของปัจจัยภายนอกนั้นย่อมทำให้เกิดความกระทบกระเทือนแก่บุคคลนั้นด้วยความสุขประเภทนี้ทางธรรมะเรียกว่าสามิสุขเป็นสุขเนื่องด้วยหาสิ่งสำหรับมาเติมความรู้สึกบางอย่างที่ขาดไปหรือพร่องอยู่ คือต้องอาศัยอามิตรส่วนความสุขประเภทหลังเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งสนองความอยากหรืออารมณ์ภายนอกต่างๆมาเป็นองค์ประกอบหรือเป็นเครื่องเสริมเป็นภาวะของจิตใจภายในอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นตัวของตัวเองไม่มีสิ่งรบกวนโดยอาจบรรยาลัะสนะได้ว่าเป็นความสะอาด เราะไม่มีความรู้สึกที่เป็นกิเลสต่างเข้าไปาปะปนคุณมัวสว่างเพราะประกอบด้วยปัญญามองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเห็นกว้างขวางไม่มีขีดจำกัดมีความเข้าอกเข้าใจและพร้อมที่จะรับรู้พิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะวิสัยสงบเพราะไม่มีความกระวนกระวายหลอดจากสิ่งกังวลใจไม่ว้าวุ่นวันไหว ผ่อนคลายราบเรียบเสรีเพราะเป็นอิสระไม่มีสิ่งที่จำกัดความนึกคิดไม่มีความกีดกั้นข้องขัดโปร่งเบาไม่ยึดติดไม่คับแคบเปิดกว้างแผ่ความรู้สึกรักใคร่ปรารถนาดีด้วยเมตตาไปยังมนุษย์สัตว์ทั่วหน้ารับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นด้วยเการุณา รวมบันเทิงใจด้วยมุทิตาในความสุขความรุ่งเรืองสำเร็จของทุกคนและสมบูรณ์เพราะไม่มีความรู้สึกขาดแคลนบวกพร่องว้าเวมีแต่ความช่ำชื่นเบิกบานเปรียบในทางร่างกายเหมือนการมีสุขภาพดีย่อมเป็นภาวะที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์อยู่ในตัวในเมื่อไม่มีโรคเป็นข้อ บ, บกพร่อง ในภาวะจิตเช่นนี้คุณธรรมที่เป็นส่วนประกอบสําคัญก็คือความเป็นอิสระไม่เกี่ยวกเกาะผูกพันเป็นธาตุและปัญญาความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงคุณธรรมสองอย่างนี้แสดงออกในภาวะของจิต ท, ที่เรียกว่าอุเบคาคือภาวะที่จิตราบเรียบเป็นกลางสมดุลพอดีลงตัว พร้อมที่จะเข้าเกี่ยวข้องจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามสภาวะวิสัยตามที่ควรจะเป็นด้วยเหตุผลบริสุทธิ์ความสุขประเภทนี้มีคุณค่าสูงสุดในทางจริยธรรมเรียกว่านิรามิสุขไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่เป็นภาวะที่ไม่มีปัญหาและช่วยขจัดปัญหาเป็นภาวะที่ประณีตลึกซึ้ง ซึ่งอาจเกินกว่าที่เรียกว่าเป็นความสุขจึงเรียกง่ายๆว่าความพ้นจากทุกข์เพราะแสดงลักษณะเด่นว่าพ้นจากข้อบกพร่องและความแปรปรวนคำว่านิรามิสุขถ้าพูดอย่างเร่งครัดต้องใช้คำว่านิรามิตตระสุขโดยจำแนกความสุขเป็นสามอย่าง คือสามิสสุขหรือสามิสุขคือกามสุขนิรามิสสุขหรือนิรามิสุขสุขในฌานและนิรามิสัตตระสุขสุขเนื่องด้วยความเป็นอิสระพ้นกิเลสจะเห็นว่าอุทุชนยังอาจติดในนิรามิสุขและประมาทได้ดังนั้นจะปลอดภัยจริงต่อเมื่อถึงนิรามิสัตตระสุข ในการดำรงชีวิตของชาวโลกซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการสแสวงหาความสุขประเภทที่หนึ่งจำพวกสามิตสุขอยู่ด้วยเป็นธรรมดานั้นเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะได้รับสิ่งสนองความต้องการทุกอย่างได้ทันใจทุกครั้งตลอดทุกเวลาสมหวังเสมอไปและคงอยู่ตลอดไปเพราะเป็นเรื่องขึ้นต่อปัจจัยภายนอกและมีความแปรปลนได้ตามกฎธรรมชาติจึงเป็นความจำเป็น ที่จะต้องพยายามสร้างสภาพจิตอย่างที่เรียกว่าความสุขประเภทที่สองไว้ด้วยอย่างน้อยพอเป็นพื้นฐานของจิตใจให้มีสุขภาพจิตดีพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกอย่างที่เรียกว่าสุขสบายมีความทุกข์น้อยที่สุดรู้จักว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรต่อความสุขประเภทที่หนึ่งนั้นเพื่อมีให้กลายเป็นปัญหาก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนและบุคคลอื่น สภาพจิตเช่นนี้จะสร้างขึ้นได้ก็ด้วยการรู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเพื่อความมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่าไม่ยึดติดถือมัน่นซึ่งอาศัยการรู้เท่าทันหลักความจริงของธรรมชาติจนถึงขั้นอนัตตาคุณค่าทางจริยธรรมของหลักทุกตา ข้อที่ 5. ในการแสวงหาความสุขประเภทที่หนึ่งซึ่งต้องอาศัยปัจจัยภายนอกนั้นจะต้องยอมรับความจริงว่าเป็นการเข้าไปสัมพันธ์กับของคู่สัมพันธ์อย่างน้อยสองฝ่ายเช่นบุคคลสองคนหรือบุคคลหนึ่งกับวัตถุหนึ่งเป็นต้นและแต่ละฝ่ายมีความทุกข์มีความขัดแย้งบวกร้องไม่สมบูรณ์ แต่งติดตัวมาด้วยกันอยู่แล้วเมื่อสิ่งที่มีความขัดแย้งกับสิ่งที่มีความขัดแย้งมาสัมพันธ์กันก็ย่อมมีทางที่จะให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณและระดับความรุนแรงตามอัตราการปฏิบัติที่ผิดตัวอย่างง่ายในกรณีการสแสวงหาความสุขนี้เพื่อความสะดวก ยกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เสวยความสุขและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกเสวยทั้งผู้เสวยและผู้ถูกเสวยมีความบกพร่องและขัดแย้งอยู่ในตัวด้วยกันอยู่แล้วเช่นตัวผู้เสวยเองไม่อยู่ในภาวะและอาการที่พร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะเสวยความสุขตามความต้องการของตนฝ่ายผู้ถูกเสวย ก็ไม่อยู่ในภาวะและอาการพร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะถูกเสวยในภาวะเช่นนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ฝ่ายเดียวโดยไม่ยอมเสียบ้างเลยเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่ตระหนักหรือไม่ยอมรับความจริงนี้ยอมถือเอาความยึดอยากของตนเป็นประมาณและยอมเกิดอาการขัดแย้งระหว่างกันขึ้น เริ่มแต่ความขัดใจเป็นต้นไปอันหนึ่งการที่ผู้เสวยยึดอยากต่อสิ่งที่ถูกเสวยนั้นย่อมรวมไปถึงความคิดผูกห่วงแหนไว้กับตนและความปรารถนาให้คงอยู่ในสภาพนั้นตลอดไปด้วยอาการเหล่านี้เป็นการขัดแย้งต่อกระบวนการของธรรมชาติที่เป็นไปตามกระแสะแห่งเหตุปจัจจัยต่าง จึงเป็นการนำตนเข้าไปขัดขืนฝืนขวางความประสานกลมกลืนกันในกระบวนการของธรรมชาติเมื่อดำรงชีวิตอยู่โดยไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเหล่านี้ถือเอาแต่ความอยากความยึดคือตัณหาอุปาทานเป็นประมาณก็คือการเป็นอยู่อย่างฝืนทื่อซึ่งจะต้องเกิดความกระทบกระทั่งขัดแย้งบีบคั้นและผลสะท้อนกลับ ที่เป็นความทุกข์ในรูปต่างๆเกิดขึ้นเป็นอันมากยิ่งกว่านั้นในฐานะที่คู่สัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายเป็นส่วนประกอบอยู่ในธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างกันนอกจากจะเกี่ยวข้องไปถึงกระบวนการธรรมชาติทั้งหมดเป็นส่วนรวมแล้วยังมักมีองค์ประกอบอื่นบางส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างพิเศษเป็นตัวการอย่างที่สามอีกด้วย เช่นบุคคลที่อยากได้ของสิ่งเดียวกันเป็นต้นความยึดยากที่ถูกขัดย่อมให้เกิดปฏิกิริยาแสดงความขัดแย้งออกมาระหว่างกันเช่นการแข่งขันต่อสู้แย่งจิงเป็นต้นเป็นอาการรูปต่างๆของความทุกขยิ่งจัด ก, การกับปัญหาด้วยความยึดยากมากเท่าใดความทุกข์ก็ยิ่งรุนแรงเท่านั้น แต่ถ้าจัดการด้วยปัญญาถูกตรงมากเท่าใดปัญหาก็หมดไปเท่านั้นโดยในยะนี้จากอวิชชาหรือโมหะคือความไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจึงอยากได้อย่างเห็นแก่ตัวด้วยโลภเมื่อขัดข้องหรือถูกขัดขวางและไม่มีปัญญารู้เท่าทัน ก็เกิดโทสะความขัดใจและความคิดทำลายจากกิเลสรากเงาสามอย่างนี้กิเลสรูปต่างๆก็ปรากฏขึ้นมากมายเช่นความธนีความริษยาความหวาดระแวงความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลความกลัวความพยาบาทความเกียจคร้านเป็นต้นเป็นการประดมสร้างปัจจัยแห่งความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในตัวมากขึ้นมากขึ้น และกิเลสอันเป็นเครื่องหมายแห่งความขัดแย้งเหล่านี้ย่อมกลายเป็นสิ่งสำหรับกีดกั้นจํากัดและแยกตนเองออกจากความประสานกลมกลืนของกระบวนการแห่งธรรมชาติความขัดแย้งต่อธรรมชาตินี้ย่อมส่งผลร้ายสะท้อนกลับมาบีบคั้นกดดันบุคคลนั่นเองเป็นการลงโทษโดยธรรมชาติ โดยในยะนี้ทุกในธรรมชาติหรือสังสารทุกข์จึงแสดงผลออกมาเป็นความทุกข์ที่รู้สึกได้ในตัวคนเช่นเกิดความรู้สึกคับแคบมืดขุ่นมัวอึดอัดเร่าร้อนกระวนกระ ว, วายกลัดกลุ่มเกิดผลร้ายต่อบุคลิกภาพและก่ออาการทางร่างกายเช่นโรคภยัยไข้เจ็บความทุกข์ที่เป็นอาการตามปกติทางร่างกาย เป็นธรรมดาสังขารเช่นความเจ็บปวดในยามป่วยไข้ทวีความรุนแรงเกินกว่าที่ควรจะเป็นตามปกติของมันเพราะความเข้าไปยึดด้วยตัณหาอุปาทานเป็นการซ้ำเติมตนเองหนักยิ่งขึ้นเป็นการก่อความทุกข์ความขัดแยง้งความคับแคบอึดอัดคุณมัวให้เกิดแก่คนอื่นๆขยายกว้างออกไป เมื่อคนส่วนใหญ่ในสังคมแต่ละคนต่างระดมสร้างกิเลสขึ้นมาปิดกัน้นแยกตนเองด้วยความเห็นแก่ตัวความขัดแย้งต่างๆก็เกิดเพิ่มมากขึ้นสังคมก็เสื่อมโทรมเดือดร้อนเพราะผลกรรมร่วมกันของคนในสังคมนี้คือกระบวนการทำให้สังสารทุกเกิดกลายเป็นทุกขเวทนาหรือความทุกแท้ๆคือทุกขทุขขึ้นมา เพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายด้วยอวิชชามีชีวิตอย่างฟื้นทื่อต่อกระบวนการธรรมชาติและปล่อยตัวลงเป็นธาตุในกระแสของมันเรียกสั้นๆว่าเพราะความยึดติดถือมัน่นวิธีที่ตรงข้ามจากนี้ก็คือการเป็นอยู่อย่างรู้เท่าทันความจริงคือรู้จักสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น แล้วเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญารู้จักที่จะปฏิบัติโดยประการที่ว่าทุกในธรรมชาติที่เป็นไปตามสภาวะของมันเองตามธรรมดาสังขารจะคงเป็นแต่เพียงสังขารทุกข์อยู่ตามเดิมของมันเท่านั้นไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเป็นพิษเป็นภัยมากขึ้นยิ่งกว่านี้ผู้ที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างนั้นยังสามารถถือเอาประโยชน์ จากสังขารทุกข์อีกด้วยโดยเมื่อรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เพราะเข้าไปยึดถือด้วยตัณหาอุปาทานก็ไม่เข้าไปยึดถือมันไม่เป็นอยู่อย่างฟื้นทื่ อ, อไม่สร้างกิเลสสาหรับมาขิดวงจํากัดตนเองให้กลายเป็นตัวการสร้างความขัดแย้งขึ้นมาบีบคั้นตนเองมากขึ้นรู้จักที่จะอยู่อย่างกลมกลืนประสานกับธรรมชาติด้วยการประพฤติคุณธรรมต่างๆ ซึ่งทำใจให้เปิดกว้างและทำให้เกิดความประสานกลมกลืนเช่นเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อกันกรุณาความคิดช่วยเหลือมุทิตาความบันเทิงใจในความสุขความสาเร็จของผู้อื่นอุเบขาความวางใจเป็นกลางตัดสินเหตุการณ์ตามเป็นจริงตามเหตุปัจจัย และราบเรียบไม่หวั่นไหวเพราะกระแสะโลกความสามคัคคีความร่วมมือการช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์แก่กันความเสียสละความสํารวมตนความอดทนความเคารพอ่อนน้อมความมีวิจารณญาณไม่หลงไหลในเหตุการณ์เป็นต้นทั้งนี้เป็นการตรงข้ามกับกิเลส ท, ที่สร้างความขัดแย้งและความคับแคบ เช่นความเกลียดชังความพยาบาทความริษยาความกลัดกลุ่มวุ่นวายใจความแตกแยกความแก่งแย่งแข่งดีการเห็นแก่ได้การตามใจตนเองความหุนหันความดื้อรั้นความเย่อหยิ่งความกลัวความหวาดระแวงความเกียดคร้านความเฉื่อยชาความหดหู่ความมัวเมาความลืมตัวความลุ่มหลงงมงายเป็นต้น นี่คือวิถีแห่งความมีชีวิตที่ประสานกลมกลืนในธรรมชาติการสามารถถือเอาประโยชน์จากกฎธรรมชาติหรือใช้กฎธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ได้การอยู่อย่างไม่สูญเสียอิสรภาพอย่างที่ว่าอยู่อย่างไม่ยึดติดถือมั่นหรือการมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาซึ่งถือว่าเป็นการมีชีวิตอยู่อย่างประเสริฐสุดตามพุทธภาษิตว่า ปัญญาชีวิงชีวิตต่ามาหูเศษถัง